ท่านกลางแสงแดดอันร้อนระอุอนุชากนานอินเริ่มพิจารณาหาลู่ทางที่จะผ่านเข้าไปโดยไม่ต้องบุกแหวดกันมากนักโดยเดินเลาะละัดพิจารณาดูตามแนวอันหนาทึบนั้นแล้วชั่วไม่นานก็มองเห็นร่องรอยโล่งราเป็นทางเหมือนลักษณะสักป ร, ระเภทกระทิงหรือวัวแดงเดินตัดเข้าไปทั้งฝูงทัาไม่แฝกและหญ้าอันขึ้นอยู่หนาทึบเหล่านั้น แวกลู่เป็นช่องทางจึงนำเข้าไปก่อนทันทีและโบกมือให้ทุกคนตามเข้ามาการเดินในระยะนี้ไม่ทอดระยะห่างกันนักหากแต่เป็นแถวเรียงเดี่ยวโดยนันอินนำเข้าไปก่อนใช้ดาบที่สะพายหลังอยู่ฟาดฟันเบิกทางเข้าไปด้วยหลังจากเสียงระเบิดของไรฟ่ฝนที่ดาริงยิงเสือตัวนั้นแล้ว ไม่มีสัตว์ใดหลบซ่อนอยู่ในบริเวณทุ่งนั่นอีกเลยนอกจากนกบางชนิดนิดที่นานๆนนครั้งจะส่งเสียงร้องและโผบินขึ้นจากโพงรกทั้งขบวนบุกบั่นกันเข้าไปโดยเฉพาะพวกเจ้านายกลัดดุมเสื้อติดที่คอมิดชิดเอาแขนเสื้อที่พับไว้แค่ข้าข้อศอกลงจนถึงข้อมือและใช้ผ้าเขามา้าหรือผ้าพันตัวพันหน้าไว้อีกชั้นหนึ่ง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 ในความคิดของทุกคนร่วมชั่วโมงเต็มเ็มที่ทั้งหมดตัดทุ่งแฝกเข้ามาสภาพอันรกทึบมองอะไรข้างหน้าเห็นได้ไม่ไกลนะักก็เริ่มโปร่งบางขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งมาพบกระทุ่งหญ้าเตีย้ยเป็นหลอนสูงๆต่ําๆลิบลิว่วเข้าไปสู่ป่าไม้โปรง่ปรงและขวางทางอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปราวร้อยเมตร กระทิงทั้งฝูงกำลังหากินกันอยู่เต็มไปหมดไม่ต่ำกว่ายี่สบสาสบตัวก็คงเจ้าพวกนี้แหละที่เดินแหวกทางนำร่องให้ไว้ก่อนแล้วอนุชา ย, ยกมือขึ้นสูงเป็นเชิงบอกให้ทุกคนหยุดรออยู่ก่อนเจ้ากระทิงเหล่านั้นอยู่เหนือลมมันไม่รักแค่ระคายอะไรในกลิ่นหรือเสียงของมนุษย์ที่ตามมันและผลวออกมาพบโดยไม่ตั้งใจเลย แต่คิดจะล่ากันก็สบายมากแต่บุคคลคณะนี้ไม่ได้มาล่าสักเว้นแต่จะหาเป็นสเสบียงยามจําเป็นเท่านั้นและขณะนี้สเสบียงประ ท, งทังชีพก็ยังเต็มตรายอยู่จึงไม่มีความจําเป็นอะไรระหว่างที่ทุกคนหยุดรออนุชาก็ใช้กล้องสองทางไกลสํารวจแล้วก็บอกเบาๆกับทุกคนที่ก้าวขึ้นมายืนเคียงเรียงเป็นหน้ากระดานว่าฝูงเบืงเริ่มเลย มีกูปรีตามหากินห้อยท้ายอยู่ด้วยเจ็ดแปดตัวเนหะ็นไหมนี่เราจะต้องตัดไปทางที่พวกมันขวางอยู่ไม่ใช่เหรอกลางพี่ชายใหญ่ถามครับนั่นก็เป็นระยะทางที่ย่นที่สุดดีกว่าจะเดินอ้อมหลีกมันอ่ะแล้วจะเอายังไงเนี่ยชยันถามขึ้นมาบ้างถ้าจะเดินใกล้เข้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหมาะนาะ เพราะถ้ามันแตกตื่นแล้ววิ่งเข้าหาทั้งฝูงมันก็จะลําบากเอาเป็นว่ายิงปืนไล่ดีกว่านะแต่อย่ายิงให้ถูกตัวพวกมันขณะนี้เรายังไม่ต้องการสเสบียงเพิเ่มเติมอะไรเอาถ้างั้นก็จัดการเลยนี่ก็ใกล้เที่ยงกัามาเต็มทีแล้วนี่เชตหาสั่งเพราะไม่ต้องการเสียเวลาอะไรทั้งสิน้นอนุชาหันไปร้องบอกหนานอินแล้วหนานอินก็สั่งไปทางขดิน เจ้านั่นชูปืนลูกซองขึ้นฟ้าเหนียวไกบึ้มดังกังวานไปทั้งท้องทุ่งเสียงกระสุนที่ดังขึ้นช่วยฝูงกระทิงและกูปรีเหล่านั้นระหนกและออกห่อควบตะบึงเป็นแถวไปทางด้านใต้เรียบชปายป่าโปร่งลับเนินละเมาะทึบเตี้ยๆบริเวณหนึ่งหายไปอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าของพวกมันดังสะเทือนไปหมด เจ้าสิ่งที่ติดตามมาในทันทีที่ฝูงกระทิงแร่นตะเลดิดหนีไปเป็นสิ่งที่ไม่น่าพิสมัยเลยเพราะใกล้ๆแค่สี่สิบเมตรอันมีต้นหญ้าเต้ยเต้ยบังอยู่แล้วเห็นนกบางชนิดบินขึ้นบินลงอยู่เบื้องหน้าน่ะเจ้าทุ่งผู้ทอรหดและดูเดือดอีกชนิดหนึ่งกทญยานพรวดขึ้นจากลมคลนอันทุกคนมองไม่เห็นมาก่อนว่ามีลมคลอนอยู่ตรงนั้น แรกสองนอหรือกระสู้ขนาดน้องน้องช้างน่าจะเป็นสองตัวผัวเมียเพราะมีลูกขนาดย่อมย่อมอีกตัวหนึ่งรวมเป็นสามตัวมันเพ่นผลขึ้นมาวิง่งยอยอ่ยอๆยๆหมุนวนสูรกลิ่อยู่ไปมาแต่ไม่ได้บายหน้าไปไหนคงวิง่งวงเวียนอยู่บริเวณใกล้ๆนั่นเองหันหน้าไปตามทิศ ท, ทางต่างๆลักษณะของมันพยายามจะจับกลิ่นไอ เฮ้ยไอ้ น, นี่ไม่เหมาะแล้วฮนะชัยันครางขึ้นเสียงต่ำๆขยับลูกเลื่อนขึ้นนกไรเฟิลจุดสีห้าปของเขาทันทีน้อยคราวนี้เห็นจะต้องขอร้องให้เชื่อกันมั่งนะนะคุณชายกลางสังเกตทิศทางลมให้แน่ใจอีกครั้งพร้อมทั้งเอ่ยขึ้นตกลงค่ะใจน้อยทำไงเอางี้เธอขยินแล้วก็ชายัน พาพวกลูกหาเดินอ้อมไปทางขวามือนี่นะพยายามให้อยู่ใต้ลมเข้าไว้พี่พี่ใหญ่แล้วก็ลุงอินจะพยายามล่อมันไว้อีกทางหนึง่งเราจะไม่ทําอะไรมันยกเว้นอย่างเดียวถ้ามันชาร์จเข้ามาก็ช่วยไม่ได้ดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายแต่พยายานถามว่าทําไมไม่ น, น้อยกับขยินคุมพวกลูกหาไปแล้วฉันควรจะอยู่ทางด้านใกอีกคนไม่ใช่เหรอ ทำไมถึงฉันไปอยู่กันน้อยด้วยแกเองก็ชำนาญป่าแล้วน่าจะรู้นิสัยรถถังประจำทุ่งนี่ดีนี่อนุชาตอบพวนห่วนเอามือป้ายเงอที่กาลังจะย้อยเข้าตามันไม่กลัวเสียงปืนไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละดุเดือดบ้าเลือดตาไม่ดีแต่จมูกมันดีเป็นพิเศษระหว่างที่ฉันพี่ใหญ่แล้วก็หนานอินยืนคุมมันอยู่ใกล้ มันอาจได้กลิ่นพวกของน้อยที่เดินอ้อมห่างออกไปแล้วพุ่งเข้าใส่ทางด้านนั้นก็ได้แล้วถ้ามันพุ่งไปทางด้านน้อยก็ยังมีจุดสี่ห้ดคุมอยู่กระบอกนึงไอ้ลําพังจุดส0มศูนย์ศูนย์เวเทรอร์แมของน้อยถ้าไม่ถูกที่สําคัญน่ยฉันว่ามันไม่อยู่นะแล้วก็จะได้ยุ่งกับทั้งขบวนทีเดียวดีไม่ดีได้มีการตายเกิดขึ้นมั่งทั้งท้งที่เราออกเดินทางจากขัวเสือร้องเพียงยังไม่ถึงครึ่งวันเท่านั้น เราต้องการไรเฟิลขนาดใหญ่ใบทางด้านน้อยและพวกลูกหาบอีกระบอกหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครเหมาะสมเท่าแกพวกลูกหาบทุกคนก็มีแค่ลูกซองเท่านั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยไก่สัตว์หนังหนาบ้าเลือดชนิดนี้ชื่อพี่กลางเถอะชยันเธอมากับฉันจะได้คอยคุ้มกันกลูกหาบด้วยดารินตัดบทคว้าแข็นชยยันให้อยู่ฝ่ายตนซึ่งอดีตนายทหารปืนใหญ่จำต้องปฏิบัติตามด้วย เหตุที่พรานชดบอกและเมื่ออนุชาโบกมือแทนความหมายหล่อนและชายันก็นําพวกลูกหาไตวงอ้อมไปทางขวามืออันเป็นทางด้านใต้ลมทันทีแล้วลัดตัดทุ่งไปอย่างรีบด่วนแข่งกับเวลาพวกลูกหาแบกหามในลักษณะกึ่งวิ่งกึ่งเดินสิงเชิดฐาร้องบอกมาเร็วเปลือว่าอย่าลืมเปิดวิทยุสแตนบายไว้ด้วยนะเกิดอะไรขึ้นจะได้พูดกันได้ยิน ราชสกุลสาวและช ย, ยันปฏิบัติตามคําสั่งออกจ้เอ้าเอ้านําพวกลูกค้าไปอ้อมห่างไกลออกไปโดยเร็วอนุชาสั่งการทางวิทยุทันทีตปอ้อมห่างออกไปอีกห่างออกไป ม, กมากๆระวังไว้ด้วยไอ้ตัวใหญ่หันหน้าไปทางทิศพวกเธอบ่ายหน้าไปแล้วนะระวังจริงอย่างที่อดีตแฟนชดว่าเจ้าตัวผู้ขนาดมะฮมาซึ่งยืนหันรีหันขวางอยู่ บัดนี้หันหน้าเบิงไปทางด้านที่ดารินและชยันกำลังอ้อมทุ่งไปสองหูเรียวเล็กกระดิกไปมาหญิงสาวเห ม, ม้นริมฝีปากแน่นเดินจำอา้อาวอ้าวเคียงคู่ไปกับชยันพลังก็หันหน้าคอยสังเกตอากับกิริยาของเจ้าทุ่งตัวนั้นตลอดเวลาขยินไล่ต้อนพวกลูกหาเปล่านั้นให้เดินกึ่งวิ่งให้เร็วขึ้นอีกตัวมันเองรู้ดีอยู่ว่า ลำพังลูกซองที่มันถืออยู่อย่างมากก็ทำให้รถถังใหญ่สองตัวนั่งแค่คันๆเท่านั้นแต่ถึงยังไงฝีเท้าของมันก็ไม่เป็นรองใครกล่าวว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นก็คงโกยอ้าวตัวรอดไปก่อนระยะเวลาอันตัดสินใจกันอย่างกระทันหันชนิดนี้ตัวมันเองและพวกลูกหากทุกคนไม่มีเวลาแม้แต่จะเปลี่ยนกระสุนจากลูกปลายขนาดใหญ่ชนิดเอหรือดเโอบั uck, มาเป็นลูกโด ทำไมเราจะต้องเสียงกันโดยใช่ที่แบบนี้พี่บัตถล่มมันจะเลยไม่ดีกว่าเลยที่ยิงนางตัวเมียนั่นเองเธอก็ยิงไปที่ตัวผู้ใหญ่นั่นระยะแค่นี้ถ้าชั่วๆก็ไม่เกินสองนัดเท่านั้นล้มแน่น่ะกลางเชตหาเริ่มกระสับกระส่ายเมื่อเห็นแรกสองตัวผัวเมียมีอาการไม่ชอบมาพากล น, นักแต่น้องชายเยือกเย็นกว่าหรืออย่างน้อยลักษณะของเขาก็คือพรานอาชีพมาแล้ว ยังครับพี่ใหญ่ยังไม่ถึงคราวจําเป็นจริงๆเราอย่าไปทำอะไรมันดีกว่าครับถึงยังไงเราก็ตั้งปณิธานกันไว้แล้วว่าจะไม่ฆ่าสั์อะไรโดยไม่จําเป็นผมคิดว่าเราอาจจะผ่านมันไปได้โดยไม่ต้องฆ่าอีกอย่างหนึ่งมันก็มีลูกด้วยเอาละครับตามผมมาครับกล่าวจบอนุชาหรืออดีตพรานชดผู้พิชิตเพื่อพระศิวะมาแล้วก็เริ่มออกจากที่ เดินเลาะไปทางด้านเดียวกับิดารินและชายันนำพวกลูกหาบอ้อมห่างออกไปแล้วโดยมีนานอินและเจดถาเดินขนาบเป็น3มจุดเว้นระยะห่างกันประมาณคนละห6 m. เมตรเฉตถาสั่งวิทยุอีกครั้งน้อยชายันถ้าจำเป็นจะต้องยิงให้ระวังวิถีกระสุนด้วยนะเพราะฝ่ายพี่สามคนอาจจะอยู่ในวิถีกระสุน เออถ้าอย่างไรแล้วก็ล้มตัวลงนอนราบก่อนแล้วกันนะเสียงชัยยันตอบกลับมาใกล้เข้าไปเล้วใกล้เข้าไปตามลำดับสำหรับฝ่ายของอนุชาเชษฐาและหนานอินผู้กระชับไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือทั้งหมดจ้องจับไปที่ครอบครัวของไอ้เจ้าทุ่งอันมีสมาชิกอยู่สามตัวนั้นคำเหน่งพางก็เลี้ยวไปดูฝ่ายของดารินและชยยัน ที่ตะลุยอ้าวห่างไกลออกไปอีกโดยมีฝ่ายเขาย่องเงียบเฉียดใกล้แรดทั้งสาเข้าไปใกล้เข้าไปจนกระทั่งมองเห็นตัวมันอย่างเด่นชัดรวมทั้งปลักโคลนขนาดใหญ่ที่มันลงไปนอนเกลือกอยู่เมื่อครู่นี้ด้วยเป็นบริเวณที่ลุ่มต่ำลงไปจึงทำให้ไม่ทันจะมองเห็นในครั้งแรกเฮ้ยไปเสียไปทางซีกซ้ายมือนวน อย่าเสือกตีออกขวาล่ะเสียงพรานครูผู้เท่างึนงงำเงำําอยู่คนเดียวตัวแกเองเคยตามแรกมาแล้วเป็นแรนเดือนแต่ในยามที่ไม่ต้องการพบแบบนี้ดันเสือกมาเจอเอา ง, ง่ายง่ายลำพังตัวแกเองนะ่ะไม่กระไรนักหรอกสำคัญกับพวกลูกหาบถ้ามันวิ่งตะลุยผากลางเมื่อไรเป็นได้เละกันเมื่อนั้นถึงนายหญิงหรือนายทหารจยัน ยังไม่แน่ว่าจะหยุดมันได้อย่างทันควันหรือเปล่าตะวันฉายแสงเปรี้ยงเกือบตรงศีรษะลมที่เคยพัดโชยอยู่อ่อนๆดูเหมือนจะส ง, งบลงชั่วขณะทั้งหนานอินและพรานชดทุกฝีก้าวที่เหยียบย่างไปอย่างระมัดระวงังสังเกตทางลมอยู่ตลอดเวลาด้วยความชํานาญเทฐาจึงไม่จําเป็นจะต้องกังวลอะไรในเรื่องนี้ นอกจากไรฟิลที่พร้อมอยู่ในมือเท่านั้นโดยตัดสินใจเฉียบขาดว่าหากพวกมันมีท่าทีอันจะก่อให้เกิดพิษภัยขึ้นเมื่อใดไม่ว่ามันจะวิ่งมาทางด้านเขาหรือด้านของชายันกดารินที่เบี่ยงห่างออกไปอีกโดยทำมุมเยื้องกันอยู่เขาจะยิงสกัดในทันทีโดยไม่จาเป็นจะต้องรอให้น้องชายกลางรืหนานอินลงมือก่อนพวกพี่อ้อมห่างออกไป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 เรืออีกในหนึ่งก็เดินเฉียดชิดเพื่อจะขวางดักหน้ามันนั่นเองในกรณีที่มันจะบ่ายหน้าไปทางขวามืออย่างที่คิดระแวงกันและระยะที่จะต้องเฉียดผ่านก็เห็นจะไม่ไกลเกินกว่า30เมตรแน่ๆบางทีอาจจะใกล้กว่านั้นก็ได้ถ้าหากมันเสือกพากันวิ่งมาทางด้านขวามือไม่ต้องหยุดรอเดินกันต่อไปเร็วยิ่งห่างเท่าไรยิ่งดี ทางนี้เป็นหน้าที่ของพวกพี่เองเชษฐาพูดเบาๆลงในวิทยุของเขาสั่งเตือนไปทางดารินอันบัดนี้เห็นพากันไปจับกลุ่มยืนดูเหตุการณ์อยู่และมีอาการภาวาผวังเหมือนจะหยุดรอด้วยความเป็นห่วงลักษณะการเดินของฝ่ายเชษฐาอยู่ในรูปเรียงหน้ากระดานแต่เว้นระยะต่อคนประมาณห6เมตร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 ก็ต้องถลม่มหากมันชาร์จเข้าใส่ประมาณ25หเมตรอันจับว่าเป็นระยะอันตรายใกล้ชิดที่สุดพวกมันยืนเบิงมองเขม็งมายังคนทั้งสามแล้วนานอินเริ่มหยุดก่อนเป็นคนแรกคนที่สองคืออนุชาและเชตถาเป็นคนสุดท้ายที่ต้องหยุดชะงักนิ่งลงด้วย เจ้าตัวใหญ่ทั้งสองตัวหันศีษะมาทางทั้งสามคนในแนวตรงนั้นยิ่งเท่ากับเป็นเป้าหมายที่เล็กลงไปอีกในมุมแบบนี้เสียงมันสะบัดคออันหนาทึบและหายใจฝึดฝึดได้ยินอย่งางถนัดสะเก็ดธนที่ติดอยู่ตามบริเวณศีษะอันประกอบไปด้วยนอแหลมงอนโค้งขึ้นปลิวเป็นฝอนเชิดาประทับปืนขึ้นไหลแล้ว เป้าหมายของเขาคือกลางอกหนาทึบราวกับหุ้มไว้ด้วยเกราะระดับต่ำกว่าใต้คางที่กำลังแหงนของมันนิ้วแตะอยู่ที่ไกรอเวลาที่มันจะแล่นเข้าใส่เท่านั้นส่วนอนุชาและหนานอินยังถือในท่าเฉียงปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแต่ก็พร้อมที่จะลดลงมาใส่เป้าหมายได้ในพริบตาเฮ้ยไปสะดีด ไปจังถ้าไม่มีเวรมีกรรมกันมาก่อนแท่เมตตายแล้วนะโว้ยเสียงนั้นอินพื้นธรรมออกมาอีกครั้งผ่านริมฝีปากอันมีฟันหน้าเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่อของแกณบัดนั้นลุงก็เริ่มโชยพัดมาอีกครั้งสัมผัสกับด้านหน้าของบุคคลทั้งสามเป็นการพัดจากด้านมันมาหาฝ่ายมนุษย์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 ซึ่งก็ไวสุดยอดเหมือนกันยืนมองดูบุคคลทั้งสามเหมือนมองดูต้นไม้และยิ่งไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวใดๆที่ผิดปะกะติออกไปมันจึงหมดความสนใจออกวิ่งหยอกๆยห่างออกไปทางซ้ายมือมุ่งเข้าสู่พงรกทึบที่ขวางอยู่โดยไม่ตรงรีเข้าใส่แล้วในที่สุดก็หายลับไป จากสายตาในชั่วไม่นานเทธาลดไรเฟิลลงจากไหลที่ประทับช้าๆถอนใจเฮือกออกมาอย่างโล่งอกอนุชาและหนานอินขยับลูกเลื่อนลดนกก่อนจะตบลูกเลื่อนลงตามเดิมแล้วเวียงขึ้นสะพายไหลทั้งสองอดีตบ่าวนายต่างอยู่ในสภาพปกติธรรมดาที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย อนุชาหันมาพยักหน้ากับพี่ชายใหญ่สิ่นเคราะห์ไปคราวหนึ่งไปครับพวกน้อยโบกมือเหย่อๆอยู่น่นละถ้าทางดีใจกันใหญ่ที่เราไม่ต้องเปลืองกระสุนเฮ้ยเปลืองกระสุนน่ะไม่เท่าไรหรอกแต่ต้องเอาชีวิตออกมาวางว่าเป็นเดิมพันมาตะกี้เนี้ยมันไม่เข้าท่าเลยวะ่ะระยะเมื่อตะกี้เนี่ยเผาขนที่สุดท่านักเดียวไม่อยู่ก็แปลว่าถึงตัวทันทีลุงอินเก่งมากนะที่ไล่มันไปได้ ท่านหัวหน้าคณะบอกอย่างผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้บ้างเปิดกระติกน้ําออกมายกขึ้นดื่มสองสามอึกนั้นอินหัวเราฮอฮึอในลําคอนั้นอินก็ไม่เก่งถึงกระจะไล่มันไปได้รอกไมหมยายไอ้ล้มที่พัดมาตะกี้นี่ตะหากละที่ช่วยเราไว้ไม่ต้องให้เรายิงมันแล้วก็ไม่ต้องให้เราแหลกเละไปถ้าพลาด แต่นายินก็กระระยะแล้วละ่ะใกล้ๆจำจีจำใช้กันแบบนี้ทั้งในายใหญ่และนายชดก็ไม่มีวันพลาดแน่ตูมเดียวเป็นสุดยังไม่ทันเข้าถึงตัวเราหรอกมิเศษสุดโชคดีจังเลยต่อร้อยเอาหนึ่งอ่ะฉันว่ามันสองตัวนะ่ะชาร์จเขาใส่พวกแกสามคนแน่ใจหายใจคว้าง อ, อยู่เนี่ยแบบนี้ระพินไรวันอายไปเลยแพรนชด เสียงชยันดังออกมาจากวิทยุอย่างยินดีประโยคหลังเป็นการพูดจาสับพย อ, อนุชาอันขณะนี้ทาหน้าที่เป็นผู้เดินนำเดินเสียงเข้าไปเผชิญหน้ามรกตรยูเฮ้ยเรื่องกิบพงไรสาระทำป็นตื่นเต้นไม่ได้พวกเราอยู่ใต้ลมตลอดเวลาแลาไม่ได้ทำอะไรกระตุกกระตากขึ้นเลยนี่มันก็เลยเบนหัวไปทางอื่นเอาละเดินต่อไปได้แล้วไม่ต้องอยุดร้อยเสียเวลา มุ่งเขาหาเชิงเขาที่เห็นข้างหน้าตามเดิมอะ่ะไปเดี๋ยวเราสามคนจะตามไปทันเองพี่กลางคะน้อยดีใจที่พวกพี่ไม่ต้องฆ่าแรดทั้งสามตัวนั่นทาไมจําเป็นจริงๆเกี่ยวกับการป้องกันชีวิตหรือหาอาหารประทังชีพแล้วน้อยก็ไม่อยากให้พวกเราต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยในการมาคราวนี้เสียงใสๆของดารินแววมาจากลําโพงอีกคนหนึ่ง แต่เธอก็ล่อยลายสักตัวหนึ่งแล้วเมื่อตอนสองยี่ห้อที่ผ่านมานี่อ้าวก็มันกระโจนเข้ามาจะหมายขย่ย่ำ ข, อขอมองน้อยนี่ไม่ อ, อยากจะเห็นน้องสาวขอมองแหลกไปก่อนนะแล้วทาไมเธอไม่ใช้วิธีตบขากางเกงแล้วตะเพิดไล่มันเหมือนคู่รักของตัวเคยทําอ่ะนี่นี น, นี่อย่าโมวแต่พูดมากอยู่เลยวิทยุนะ่ะควรใช้ย่จำจําเป็นเท่านั้นนะ่านสํารองเรามีมาไม่มากนะักบอกให้เดินล่วงหน้าไปก่อนได้แล้ว ร, รีรีรอรอกันอยู่นั่นแหละพี่ชายกลางร้องเร่งกำชับไปไม่มีการพูดกันทางวิทยุอีกระยะลิบลิที่มองเห็นพวกของดารินที่ล่วงหน้าไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วเหมือนจะถ่วงเวลาเดินรอช้าลงในขณะที่อีกสามคนก็เร่งฝีเท้าขึ้นไปแล้วชั่วไม่นานก็ตามไปทันกันที่ป่าโปร่งบริเวณใกล้เคียงเชิงเขาอันสลับซับซ้อน ณที่นี้ทุกคนยืนเบิงตาตะลึงโดยไม่ได้ปริปากพูดคำใดกันออกมาเลยเพราะเมื่อขึ้นมาอยู่ยอดเนินก่อนลงไปยังทุ่งหญ้าอีกช่วงหนึ่งนั้นต่างเลหินร่องรอยของไฟป่าที่มอดดับแล้วเผาไหม้ทุ่งหญ้าและต้นไม้ดำเกรียมมีอาณาบริเวณกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนจะเป็นแนวไฟที่เคยลุก ล้อมเชิงขุนเขานั้นไว้132านานอินกับขยินแล่นลงไปก่อนทันทีเพื่อถึงเนื้อที่ส่วนแรกที่สุดของแนวไม้ของไฟที่ดับมอดไปแล้วส่วนเชษฐาดารินและชา ย, ยันใช้กล้องสองทางไกลสำรวจดูตามบริเวณอันน่าจะกลายเป็นทะเลเพลิงนั้นด้วยความพิถีพิงกิดสุด ไม่สามารถจะเดาเหตุการณ์อะไรได้ถูกรวมทั้งสองกล้องขึ้นไปยังบริเวณขุ้นเขาหินล้วนๆที่สลับซับซ้อนกันขึ้นไปสู่เบื้องสูงลิฟด้านบนซึ่งในอีกระดับหนึ่งของมันที่สูงกว่าแนวทุ่งหญ้าและป่าโปร่งไฟกินละลามขึ้นไปไม่ถึงเนื่องจากมีแนวของป่าหินกั้นไว้นายไฟป่ามันเพิ่งไหม้มาสองสามวันมานเอง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 พราะหมดเชื้อที่จะกินลามต่อไปได้แต่ถึงกระนั้นก็เป็นแนวที่กว้างใหญ่เหลือประมาณคานวณไม่ถูกว่ากี่ร้อยกี่พันตารางกิโลเมตรรอบรอบตีนเขาชั้นล่างสุดอันห่างออกไปราวหนึ่งกิโลเมตรเศษเบื้องหน้าส่วนทางปีกซ้ายก็ดีหรือทางปีกขวาของแนวทุ่งก็ดีมันโปรงโล่งเทพจะสุดระยะของกล้องสองทางไกลกาลังขยายเจเท่าทีเดียว ไม้ใหญ่บางต้นไหม้ไม่หมดเหลือลำต้นดำเป็นเสาฐานยืนอยู่โดเด่เป็นระยะระยะรีบลงไปดูกันเถอะมันเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วทำไมมันถึงจําเพาะมาไหม้บริเวณนี้ส่วนอื่นๆไม่เห็นไหม้ไปด้วยเลยนี่เชตถาบอกเสียงต่ำๆแล้วทั้งหมดก็เคลื่อนลงไปจากเนินป่าโปร่งนั้นทันที ท่ากลางแสงแดดแผดจ้าตรงสีรัะและลมทุ่งชายเขาที่พัดมาเป็นริ้วระลอกเศษที่เท่าจากร่องรอยเผาไหม้ซึ่งแต่เดิมก็คงจะเป็นพวกแฝกและมวลวัชพืชลอยตลบคลุ้งขึ้นเป็นระยะระยะบางขณะเศษผงธุลีเหล่านั้นก็ปลิวเข้าตาทำให้แสบมัวฝ่ายนายจ้างทุกคนเอาผ้าพันคอขึ้นมาปิดหน้าอีกครั้ง พร้อมทั้งเดินแย่กันออกสำรวจเข้าไปกลางทุ่งสีดำเกรียมเหล่านั้นด้วยอาการพินิษพิเคราะห์ไม่มีใครพูดอะไรกันในขณะนี้เลยและเนื่องจากไฟได้กินพื้นที่ไว้โล่ง ม, มองเห็นอะไรได้ตลอดระยะกว้างไกลอนุชาจึงโบกมือเป็นสัญญาณให้พวกลูกหาบไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้เดินตัดเข้าทางเชิงเขาโดยไม่ชักช้าพร้อมทั้งสั่งกำชับให้หาที่ร่ม เพื่อพักเตรียมอาหารกลางวันรอคอยไว้ได้ก่อนเลยตนเองนันอินและคณะคงแยกกันเป็นหน้ากระดานเดินตรวจหาไปในทุ่งไฟลามซึ่งมอดดับไปแล้วคะนระยะเวลาว่าไม่น่าจะนานนี้นักทุกคนใช้วินิจพิจารณายาของตนไปเงียบเงียบและด้วยความละเอียดละ อ, อเต็มที่เพราะแต่ละคนก็หาใช้มือใหม่สำหรับป่าดงพงไพรเลยสักคนเดียว สัพพสารพัด ส, สิ่งที่อุบัติขึ้นในอาณาจากักรไพรล้วนแล้วแต่เคยผ่านผจญกันมาอย่างโชคชนทั้งสิ้นทั้งสี่คนและหนานอินเดินแยกทางกันออกไปเรื่อยเพื่อจะแสวงหาหลักฐานร่องรอยเท่าที่คิดว่าอาจจะพบได้บ้างในปรากฏการณ์ของพื้นภูมิประเทศอันโพลไม่เห็นอย่างกระทันหันนี้แต่ละคนบัดนี้เหงื่อออกท่วมกายราวกัอาบน้ำ และถึงแม้จะแยกกันออกเป็นหน้ากระดานแต่โดยทิศทางแล้วก็จะบายหน้าไปร่วมบรรจบกับพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วบนตะพัรของมสูงก่อนจะถึงเชิงเขาเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มเตมในความเงียบที่นานอินอนุชาเชษฐาชา ย, ยันและดารินเดินลุยค้นอยู่ในทุ่งไม้เกรียมเต็มไว้ด้วยกองเท่านั้น และได้ใกล้เชิงเขาเข้ามาเป็นลำดับเสียงวิทยุจากเชิดาดังเหมือนจะประกาศถามไปยังทุกคนว่าว่ายังไงมีใครได้ร่องรอยอะไรคืบหน้าหรือมีหลักฐานน่าสนใจบ้างไหมอนุชาดารินชยยันยังเงียบอยู่เช่นนั้นไม่ได้ตอบมาคงมีแต่เสียงหนานอินเท่านั้นดูแล้วมันก็ไฟปาธรรมดานี่และในายใหญ่ มันแห้งมากนะที่นี่ก่อนไฟเผามันคงเป็นทุ่งแฝกตดยซากรับเชื้อไฟนิดเดียวก็ลามไปหมดทั้งทุ่งแต่มันกินอยู่ในบริเวณที่ล้อมส่วนหน้าของเขาข้างหน้านี่เราเท่านั้นหลังจากมันหมดดับไปเองแล้วฝนก็ไม่ได้ตกลงมาเลยกลางนายมีความเห็นอะไรมั่งพี่ชายใหญ่เจาะจงถามไปทางน้องชายกลางบ้าง ก็คงยังจะเป็นอย่างที่ลุงอินว่าแหละครับพี่ใหญ่ทุกคนเข้าที่พักตรงที่ลูกหาไปรอคอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็คุยกันที่นั่นแล้วกันทางด้านชั ย, ยันไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิน้นแสดงว่าคงไม่พบสิ่งใดน่าสนใจเช่นกันคงออกเดินดุมเร่งฝีเท้าหนีเปลวแดดมุ่งเข้าหาที่พักโดยเร็วแต่ดารินที่ห่างลิฟออกไปทางซีกซ้ายมือของตีนทิวเขาใหญ่ ก้มหน้าดูพื้นและเดินเหมือนจะแยกห่างออกไปทุกขณะแทนที่จะเลี้ยวเข้ามาบรรจบเหมือนกําลังตามอะไรสักอย่างหนึง่งอีกสี่คนที่เริ่มจะบายหน้าเข้ามารวมกลุ่มกันแล้วเห็นน้องสาวคุณเล็กยังแยกห่างไกลออกไปคนละทิศเช่นนั้นเทถาก็วิทยุเรียกอีกทีนึงน้อยนั่นจะไปไหนอ่ะ ร่างเพียวระหงมองหินไกลๆขนาดนี้ดูกแกร่งเกินกว่าที่จะเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวาราริจหยุดชะ ง, งักลงชั่วขณะตาหรือใบหน้าของหลอนยังมองระอยู่กับพื้นตรงหน้าและแลกไกลออกไปยังเนินเขาอีกตอนหนึ่งต่อมาจึงมีเสียงตอบเบาขึุมมาทางวิทยุว่าพบรอยเท้าช้าง ตัวเดียวโดดโดดเดินปัดเท้าของแฝกไม้ในทุ่งนี่เข้าหาเนินเขาเป็นรอยใหม่ๆไม่เกินหนึ่งหรือสองชั่วโมงมานเองนี่เรากําลังตามระพินนะไม่ได้ตามช้างแม้ว่าช้างตัวนั้นจะเป็นไอ้ด้วนของเธอก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าไม่พบกระดูกของระพินก็ขอสั่งให้กลับมารวมพวกเดี๋ยวนี่คุณใจมา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 ภายหลังหรือระหว่างที่รรบพินกับคณะเดินผ่านมาในช่วงแรกนี้เขาจะต้องผ่านทุ่งแฝกนี้แน่นอนไม่ใช่เหรอผู้เปรยททำลายความเงียบขึ้นคือเสนาธิการของคณะคุณชายเชษฐานั่นเองมันก็มีอยู่แค่สองกรณีเท่านั้นแหละเท่าที่ผมคิดมันก็น่าจะเป็นระหว่างที่ผ่านมาหรือมิฉะนั้นก็ภายหลังที่ผ่านไปแล้วไม่นานนัก พราถ้าเขาผ่านไปทีหลังเราก็น่าจะเห็นรอยการเดินของพวกเขาไปตามกองขี้เท่าชัดเจนทีเดียวแต่นี่ไม่ปรากฏวี่แววร่องรอยอะไรเลยอีกอย่างหนึง่งคำนวณระยะเวลาของไฟไหม้บริเวณ น, นั้นก็น่าจะเป็นเวลาที่ระพินออกจากข้วยเสือร้องมาถึงพอดีมันใกล้เคียงกันเหลือเกินนะเนี่ยเออแล้วต้นไฟนะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะ ชัยยันเอ่ยขึ้นบ้างมันก็เดายากนะชัยยันแต่มันก็มีสาเหตุได้ง่ายๆเหมือนกันแหล่งไฟครั้งแรกมันอาจจะเกิดขึ้นจากกอภัยแห้งเสียดสีกันแล้วมันก็ลุกขึ้นในที่สุดก็ลามลงทุ่งหรือมิฉะนั้นเพียงแค่มีใครสักคนในคณะของรพินสภาพวทิ้งก้นบุรีลงบนกองแฝกแห้งพอพวกตัวเองเดินพ้นไปแล้วพอลมพัดมันก็ลุกลามขึ้นทันที และที่มันไหมเฉพาะในทุง่งไม่ได้ลามมาถึงบนนี้ด้วยก็เพราะมีป่าหินขวางกั้นไว้ลูกไฟปลิวมาไม่ถึงประกอบกะทิศทางลมในขนาดนั้นด้วยที่ไม่ได้พัดเข้าหาทางด้านเนินเขาแต่ที่แน่ๆก็คือทุกคนของฝ่ายระพินจะต้องผ่านพ้นบริเวณนี้ไปได้คงไม่มีใครเซอ่อซ่า ย, ยอมให้ไฟคลอกตายอยู่ในทุง่งรกอนุชาบอกมาอย่างใคร่ครวญลึกซึง้ง พวกเจ้านายก็อย่าห่วงเลยถึงไฟมันจะเกิดตอนที่นายระพินเดินผ่านแกก็ต้องเอาพวกนั้นรอดไปได้ทุกคนนั่นแหละไม่ดูน่ากลัวน่าคิดเหมือนตอนที่เราไปพบภูเขาถล่มใกล้ๆเนินศักดำหรอกนั้นอินบอกมาอีกคนหนึ่งอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมเคลถามองไปทางน้องสาวคนเล็กซึ่งนั่งเม้มริมฝีปากนิ่งอยู่หอนขรึมและเครียดลงทุกขณะ ตามเวนเวลาและระยะทางที่ผ่านมาเท่าเท่ากับความมุมานะทรหดขาดใจสุดดิ้นทีเดียวน้อยเธอว่าเธอพบรอยตีนช้างบนพื้นที่เท่าเหรอคะเจ้าด้วนแน่ๆล่ะค่ะบาบหน้าไปทางนู้นน่ะหล่อนตอบเสียงแผ่วเบาที่มือไปยังเนินเขาห่างออกไปอีกด้านหนึ่ง พี่ว่อย่าเพิ่งไปสนใจอะไรกับมันก่อนเลยถ้าเป็นเจ้าด้วนจริงไม่ช้าก็เร็วมันก็คงโผล่แม่เราเห็นแน่ๆละก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันออกเดินทางล่วงหน้าผ่านทุ่งแฝกไม้นี่แฝกไม้นี่ไปก่อนเราว่าแต่ตัวเดียวหมายถึงรอยตีนของช้างตัวเดียวแน่นะ่ะน้อยแน่นอนค่ะไม่มีรอยอื่นๆปะกบนด้วยเลยแล้วร่องรอยก็เพิ่งจะเป็นหยกหยกนี่เอง ขนาดพื้นที่เท่าที่มันเหยียบลงไปยังเป็นแง่มุมอยู่พอนิ้วแตะขอบขอบของรอยก็สลายตัวร่วมลงถ้าเดินไปก่อนหลายชั่วโมงหรือเป็นวันรอยมันจะไม่ประทับไว้บนพื้นที่เท่าสดๆร้อนๆแบบนี้ล่ะคะ่ะตาไวเป็นพิเศษเลยนะน้อยใช่ยันว่าทางพวกฉันสามคนรวมทั้งลุงอินไม่พบวี่แววอะไรสักอย่าง นอกจากรอยเท้ากระตอไม้ถูกไฟกินเป็นดุ้นทานรอยสัตว์อื่นๆก็ไม่พบแสดงว่าไม่มีสัตว์อะไรย่างไกลเข้ามาแถวนี้เลยหลังจากไฟสงบลงแล้วจะหาเศษชิ้นส่วนข้าวของอะไรของพวกนั้นตกหล่นอยู่มั้งก็ไม่พบเลยว่าแต่เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าพวกเขาผ่านมาทางทุ่งแฝกนี่เป็นไปได้ไหมที่เราพินจะนําเบี่ยงไปทางอื่น ถ้าจะเบี่ยงหรือบ่ายทิศทางไปทางอื่นนะ่นะเขาจะต้องมาเริ่มต้นเอาที่เชิงทิวเขาอันขวางหน้าอยู่นี่ก่อนเพียงแต่ว่าจะตัดทุ่งแฝกเข้าหาในมุมหรือองศาที่เท่าไรเท่านั้นรอยไฟไหม้ทุ่งมันกรุดรบร่องรอยพวกเขาเสียหมดแล้วล่ะแล้วอดีตพรานชดก็หันมาทางเชิฐาบอกด้วยเสียงต่ำลึกว่าีใหญ่ครับ ตรงนี้แหละครับที่เราจะเริ่มต้นเลิกแสวงหาร่องรอยของเขาแล้วและจะใช้วิธีอ่านใจคำนวณทิศทางไปของระพินเพื่อออกก้าวสกัดกันละเพราะเราจะเอาแต่สาวรอยติดหลังไปเรื่อยๆอย่างเดียวเหมือนแต่แรกไม่ทันแน่มันต้องเสี่ยงกันดูละถ้าเรามีเจตนาว่าจะสกัดเขาให้พบเพื่อเอาตัวกลับไม่ใช่ตามไปจนกว่าจะพบหลุมฝังศพของเขาพี่ชายใหญ่ก้มหัวลง เอาเอาตกลงเอาไงเอากันระวางแผนกันไว้ก่อนแล้วนี่ว่าในนรกดํานี่เราจะใช้วิธีดักสกัดกันไม่ใช่มัวมาตามคอยทับรอยอยู่แล้วการตัดสินใจในเรื่องนี้เอาเป็นว่าขอยกให้เป็นหน้าที่ของเธอกระนันอินแล้วกันหลังอาหารกลางวันซึ่งกินกันพอประทังที่และนั่งพักเหนื่อยกันอีกเล็กน้อยอนุชาก็เรียกนันอินและขยินเข้ามา รวมหัวปรึกษา ห, าหารืออะไรกันอยู่เบาๆเชิถาชายันและดารินใช้กล้องสองทางไกลสองสำรวจขึ้นไปบนทิวเขาที่ขวางเป็นกำแพงอยู่อันส่วนมากล้วนเป็นภูเขาหินมากกว่าที่จะมีพืชพันธุ์ต้นไม้ใหญ่ขึ้นมันซ้อนกันอยู่หลายทิวและทิวเบื้องหลังเข้าไปก็สูงตระงานเสียดฟ้าขึ้นไปเป็นลำดับดูโดดเดี่ยวเปรียววังเวงยังไงบอกไม่ถูก เสียงลงบ่ายพัดผ่านช่องชั้นโพรงแง่ดังอยู่วื้วิวนักตำแหน่งที่พักชั่วคราวกันอยู่นี้มีป่าโปรงไม้ยืนต้นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อไปก็จะเริ่มเป็นตะพักแง่หินที่มีระดับสูงขึ้นไปทุกขณะเปลวแดดกระทบแก่งแง่หินเป็นประกายระยิบระยับและมองเห็นกระไอความร้อนที่ระเหย อ, ออกมาอากาศไหวพิ้วเป็นระลอก แต่ละแง่มุมเหล่านั้นเพียงแค่ชั่วค่นวันที่พระออกจากห้วยเสือรองมาทุกคนก็มีความรู้สึกว่าได้เข้ามาเผชิญอยู่กับโลกซีอีกส่วนที่ร้างจากมนุษยชาติแล้วสภาพเช่นนี้ทุกคนประสบมาก่อนแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องกลับมาพบหินมันอีกเพียงแค่มองดูก็หินชัดชัด ว่ามันเป็นเดนมรณะของมนุษย์เดินดินธรรมดาทั่วไปเฮ้ยนรกดำที่รักในที่สุดเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วเสียงชา ย, ยันพูดขึ้นลอยๆส่งจูบให้ขุนเขาทมึนปานอสูรยักษ์ที่ขวางหน้าอยู่นั้นถ้ามันตอบเธอได้มันก็คงจะตอบว่านารกดำขอต้อนรับเจ้ามนุษย์หน้าโง่ ผู้บังอาจทั้งหลายและเราก็ได้เตรียมมรณาการไว้ให้แก่เจ้าแล้วละ่ะดารินเอ่ยขึ้นลอยๆด้วยเสียงแผ่วเบาเช่นกันขณะที่รีตามองขึ้นไปยังยอดเขาสูงลิบลิบกลางระอุไอแดดนั้นทุกคนที่มานี่ก็ล้วนแล้วแต่ศิษย์เมียาจารย์ทั้งนั้นอย่างน้อยก็มหาฤาษีกลนธัญะญ และ น, กนรกดำก็เคยถูกพวกเราเปิดออกไปแล้วเสียงดังเช่มชาแวววมาจากเบื้องหลังเป็นเสียงของเชิฐาอนุชาดูเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายของคณะฝ่ายเจ้านายที่ล้วงกล้องส่องทางไกลออกมาส่องสำรวจทิวเขาที่กั้นอยู่เบื้องหน้าโดยสังเกตยอย่างทีถ่วนไปแต่ละช่องชั้นเขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรทีเดียวกว่าจะลดกล้องลง แต่ยังมองตาเปล่าอยู่ตรงชะง่อนด้านบนอันมีลักษณะเหมือนนกอินทรีผ ง, งาดไปอีกแล้วดีดนิ้วเรียกพรานเท่าคู่ใจเข้ามาใกล้นี่ลุง ก, ก่อนที่เราจะบุกบันไปด้วยกันครั้งนั้นลุงเป็นพรานคนเดียวที่ท่องเที่ยวตะเวนอยู่ในป่าดํานี่มาก่อนใครทั้งสิ้นก่อนรับพินซะอีกลุงเคยผ่านเขาเทือกนี้มาก่อนหรือป่า เคยพรานชดนานอินเคยผ่านเลียบชิงเขาแล้วก็อ้อมบกไปทางด้านหลังจะไปทางด้านขวามือนี่ก็ได้หรือจะไปทางฝั่งซ้ายมือเลียบชายเขาไปเรื่อยๆก็ได้มีทางทะลุเข้าไปถึงดงทึบที่อยู่หลังเขานี่ครูพรานพูดเท่าตอบด้วยเสียงเรื่อยๆตามนิสัยอันเยือกเย็น และเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กไปหมดแล้วเคยตัดข้ามเคยไต่ขึ้นไปบนทิวเขานี่มั่งไหมระหว่างผู้มีฐานะเป็นมักคุเทศนำทางทั้งสองพูดกันทุกคนสะดับฟังอยู่ด้วยลุงอินสายหัวชาชานานอินก็เคยพยายามขึ้นไปเหมือนกันเมื่อยี่สิบกว่าปีมาแล้ว ตอนที่ยังหนุ่มกว่านี้แต่ไตขึ้นไปได้ครึ่งเดียวก็ไม่ไหวซะละหนทางมันลำบากแล้วก็ชันมากหินทุกก้อนมันร้อนเราก็มีไฟสูงอยู่ข้างในยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งร้อนยัง ก, กระทะทองแดงแล้วนันอินก็เป่าลมออกจากปากบอกเสียงเบาๆต่อไปว่านี่ขนาดอยู่ตรงนี้นะมันยังร้อนแทบดับจิต นายไม่รู้สึกมั่งหรือไงจริงตามที่นานอินพูดทุกคนรู้สึกอบอ้าวผิดปกติเหงื่อออกซึมไม่หยุดแม้จะพยายามเช็ดซับเท่าไหร่ก็ตามเออถ้างั้นลุงก็ไม่เคยรู้ว่าบนนั้นลักษณะมันเป็นยังไงสิงนะนานอินไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยขึ้นไปไม่รู้จะขึ้นไปทำไม พระธุดงเคยบอกหนานอินไ ว, ว้ว่ามันมีไฟอยู่ใต้ภูเขายอดที่เห็นอยู่นี่สักพันสองพันปีมันก็จะพ่นไฟออกมาสักทีนึง่งตรงยอดที่มองเหมือนสันหลังของรูปนกอินทรีนั่นแหละมันเป็นแดนของสางหาสางหาเชษฐาชายยันและดารินอุทานออกมาพร้อมๆกัน รู้สึกจะคุ้นคุ้นหูเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนมันอะไรอะ่ะที่ลุงเรียกว่าสางหานะ่ะนั้นอินฮอไลยิ้มเลียนเลี้ยนนั้นอินเองก็ไม่เคยเห็นจังๆสักทีนะเคยเห็นแต่ลอยเลื้อยไปของเขาไม่ว่าเขาจะเลื้อยไปที่ไหนที่ไหนพื้นที่เขาเลื้อยผ่านมันก็จะไหม้เกรียม เรากระถูกไฟเผาเป็นทางไปทีเดียวพระธูดงบอกว่าเป็นงูใหญ่ชนิดหนึ่งมีตีนสั้นๆอยู่สีตีนเดินไปก็ได้ถ้าอยากจะเดินแต่ถ้าจะไปเร็วเขาก็จะเลื้อยไปใครพบเข้าก็ตายทุกรายไปไอ้ส่วนจะตายยังไงท่านก็ไม่บอกให้รู้ท่านบอกแต่ว่า มนุษย์บาหนาเท่านั้นที่จะพบสิ่งนี้นั้นอิงคิดว่าพวกเราอย่าเข้าไปพบเขาก็าจะดีที่สุดแล้วนะทุกคนอึ้งไปชั่วขณะเดี๋วดารินก็มองไปทางพี่ชายใหญ่กระซิบว่าพี่ใหญ่คะพี่ใหญ่พอจะนึกออกแล้วยังว่าพวกเราเคยได้ยินชื่อนี้จากที่ไหนมาก่อนเชิดขาเอามือลูกคาง ก็ติดช ง, งักอยู่ในสมองเนี่ยนะแต่ยังนึกไม่ออกว่าได้ยินชื่อประหลาดชนิดนี้มาจากไหนแต่มันเคยได้ยินนะฉันก็เหมือนกันแต่ตายเออคำนี้มันมาอยู่ในสมองหรือความทรงจำของเราได้ยังไงวะนี่น้อยจะบอกให้ก็ได้ค่ะทุกคนอาจจะลืมไปซะหมดละชื่อเนี่ยก็รพินนั่แหละ เคยเป็นคนที่พูดให้เราฟังซึ่งในขณะนั้นเราฟังเป็นเรื่องขบขันสําหรับน้อยจําได้เลยอีได้ยินครั้งแรก ก, ะกระดาษเขาเลยว่าเขาประชดแดกดันพูดคำหยาบกับเราสาเหตุที่เขาเอ่ยถึงสางหายตอนนั้นก็เพราะเหตุการณ์ที่เราเคยเผชิญกับมนุษย์กินคนที่ชื่อพวกเผ่าสางเขียวยังไงล่ะคะมีใครในพวกเรานี่แหละจะเป็นน้อยหรือเปล่าก็ไม่ทราบไห่ ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องสางถามเขาว่านอกจากสางเขียวแล้วยังมีสางประเภทไหนอีกเขาก็บอกว่าสางหาุงเหมือนตอนนั้นน้อยจะด่าเขาด้วยแต่เขาก็อธิบายให้เราฟังแบบเดียวกับที่ลุงอินอธิบายนี่แหละตอนนั้นน้อยคิดว่าเป็นการพูดแบบแก้เกี่ยวของเขาจะมากกว่าเอ๊นี่เรามาได้ยินชัดเกหัหูออกจากปากลุงอินเองนะเนี่ย ทังเทฐาและชัยยันดีดนิ้วขึ้นพร้อมกันเออจริงระพินเคยเอ่ยนามนี้เราฟังมาก่อนแล้วในสมัยนั้นแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเขาพูดเล่นสนุกสนุกใช่มากกว่าในป่าแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องอันตรายนายระพินแกจะไม่พูดอะไรเล่นสนุกสนุกหรอกนายใหญ่ร้านอาชีพทุกคนจะไม่พูดอะไรเป็นการโกหกขนองปาก ถึงแกจะไม่เคยพบมาก่อนแกจะต้องเคยได้ยินจากครูพรานหรือพระธุดงที่มีชานชั้นสูงบอกเล่าให้ฟังเจ้านายทั้งหลายก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าในนรกดำน่ะมันมีอะไรต่ออะไรได้สารพัดที่คนทั่วไปไม่เคยพบเคยเห็นนันอินพูดเสียงแผ่วต่ำทุกคนเงียบกันไปอีกอนุชาจึงเอ่ยขึ้นช้ า, ชา ผมสังเกตดูแล้วลักษณะยอดที่เป็นรูปลกอินทรีย์นั่นน่าจะเป็นยอดของภูเขาไฟที่เคยพ่นลาวาออกมาก่อนแล้วแล้วอาจจะพ่นออกมาอีกในอนาคตข้างหน้าแต่จะใช้เวลานานสักเท่าไหร่นะไม่ทราบได้ถึงผมจะไม่ใช่นักธรณีวิทยาก็พอจะมองออกจากประสบการณ์ว่าช่ง้อนแง่หินที่ต่าลงมานั่นมันเป็นซากของหินลลายที่เกิดจากลาวาเย็นตัวลง ไอ้สวนจะนานสักกี่หมื่นกี่พันปีนี่ไม่ทราบครับอแล้วก็คิดยังไงสมมติว่าราิีนกับคณะมาหยุดกันอยู่ที่เชิงเขานี่เหมือนเราเขาจะนําคณะขึ้นปีนปัดขึ้นยอดเขาบริเวณนี่ไหมชยันถามอนุชานิ่งคิดไม่อาจตัดสินใจยังไงถูกแต่นันอินบอกมาด้วยเสียงเรียบๆของแกว่า เจ้านายนั้นอินรู้จักนิสัยของนายรพินดีแกเป็นคนรหหมดีเดือดอยู่ไม่น้อยคงตัดขึ้นยอดเขาอินซีนี่แน่ๆโดยหวังย่นระยะทางหรือหากว่าจะบ่ายหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปในแดนของสัตว์อันตรายที่เรียกว่าสางหาน่ะเหรอลุงชยันถามโดยเร็วเบิกตาโต เฮยจะสางหาสางเหวอะไรนายระพินก็นไม่กลัวหรอกนันอินเองก็เชื่อว่าตัวเองดีมีวิชาแล้วแต่นายราพินมีดีกว่านันอินซะอีกทั้งเวทมนต์คาถาทั้งของดีคุ้มตัวสารพัดชนิดก็คเคยกลัวอะไรเสียเมื่อไรกลัวอยู่อย่างเดียวการเสียคำพูดเสียสัจจะถึงนานอินจะแก่กว่าแกมากจะเดินป่ามาก่อนแกแต่ก็ยอมรับ วสายยาเวทอาคมกฤตยาโมลแล้วนันอินสู้แกไม่ได้รอกตบะบัของแกก่อนเหนือกว่านาันอินนั่นเป็นการสารภาพกันอย่างจริงใจนะ้าลุงเชื่อเหรอว่ารพิงจะนาพวกนั้นตัดขึ้นเทือเขาอันตารายที่เห็นอยู่นี่ดารินถามเกือบจะเป็นกระสิบนันอินเชื่อสินายหญิงก็นันอินสังหอนอย่างนั้น แต่เขาไม่ได้ไปคนเดียวนะลุงยังมีคนอื่นๆ อ, อีกชยันร้องเสียงสูงๆๆๆๆๆใครก็ตามที่ไปกับนายระพินถ้าแกคุ้มครองไม่ได้แกก็ไม่พาไปรอกแกต้องดูเรื่ดูยามของแกแล้วว่าเอาขึ้นไปได้ทั้งหมดแกถึงจะนําขึ้นไปเจ้านายน่าจะรู้จักนายระพินดีกว่าหรืออย่างน้อยๆก็เท่ากับที่นานอินรู้จักนี่ งั้นทางด้านเราจะเอาอยัางไงในเมื่อเชื่อกันว่าระพินเขาจะนําตัดขึ้นยอดอินซีเนี่ยเรานะ่ยเสี่ยงปีนภูเขาไฟอย่างเขาไม่ได้หรอกผมหารือกับลุงอินแล้วระพินเขาใช้วิธีตัดเส้นทางอย่างหักฐานแต่เราจะใช้วิธีอ้อมดักอาจจะใช้เวลาช้าวกว่าเข้าไปบ้างแต่ก็ปลอดภัยมากกว่าที่จะไปะเผชิญกับอันตรายที่เราคาดไม่ถึงบนนั้น ผมเองก็ไม่มีวิชาอาคมอะไรลุงอินก็ยอมรับอยู่แล้วว่ายังไม่ถึงขั้นรับพินแต่รับพินก็ชํานาญเส้นทางด้านนี้น้อยกว่าลุงอินละเพราะฉะนั้นโอกาสของเราจึงอยู่ในข้อที่ได้เปรียบกันคนละอย่างเอางั้นจากที่นี่เราจะเริ่มต้นกันยังไงเทพาสรุปการตัดสินใจเอางี้ผมว่าอ้อมเลียบเชิงเขานี่ ไปทางด้านซ้ายมือก่อนครับตัดเข้าทางซอกเขาที่เตี้ยที่สุดเนี่ยมุดลอดโพรงถ้ากันมั่งสองสามช่วงแล้วเราจะพบกระทานน้ําตกที่ไหลลงมาจากยอดของขุนเขาเทือกนี้แหละไงไงระพินก็จะต้องมุ่งเข้าหาแหล่งน้ําเป็นระยะระยะไปตามปกติธรรมดาของการเดินทางละ่ะเพราะถ้าขาดน้ําก็เดินต่อไม่ได้เราก็จะคอยดักตามแหล่งน้ําตะ拉แห่งไปเรื่อยๆโดยตั้งเข็มบายขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือตลอด เขาเชื่อว่าคงจะเจอกันไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแน่ๆผมแน่ใจว่าไม่ว่าจะใช้วิธีลัดทางสักขนาดไหนคณะของเขาก็จะต้องบ่ายหน้าไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแน่ๆเอาถ้า ง, งั้นก็เคลื่อนที่ได้แล้วสิเชิดาตะโกนสั่งขบวนทั้งหมดเริ่มออกเดินทางต่อไปในทันทีครั้งนี้นันอินทำหน้าที่เดินนำไปเบื้องหน้า ตามแนวโขดหินเรียบตีนเนินนั้นโดยตีวกไปทางด้านซ้ายมืออันเป็นทิศตะวันตกก่อนเพื่อจะหาทางหมุนกลับมาทางตะวันออกเด่มุ่งจุดหมายปากถ้ำแห่งหนึง่งอันหนานอินเรียกว่าถ้ำนาคาชซึ่งจะชอนเข้าใต้เขาย่อมๆลูกหนึ่งซึ่งแกอ้างว่าคุ้นเคยกับเส้นทางมาก่อนขณะนั้นเป็นเวลา14นาฬิกาพอดี ขณะที่ต่างเริ่มเคลื่อนตามการนำของหนานอินไปดารินมีอาการภาวะผวังเลี้ยวกลับมาสังเกตดูเบื้องหลังอยู่บ่อยครั้งและแทนที่จะก้าวรุดไปเบื้องหน้าตามปกติวิสัยของหลอนก็กลายเป็นมาเดินอยู่กับขบวน ล, ลูกหาบที่ล้าหลังสุดอันมีขยินเป็นคนคุมอยู่นายหญิงเป็นอะไรไปเจ้าอดีตนายบ้านลุมช้างเดินเคียงเข้ามาถาม หล่อนฝืนยิ้มให้ปฏิเสธว่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกขยิงเอาแล้วทําไมนายหญิงไม่เดินไปข้างหน้ากับพวกเจ้านายล่ะหล่อนไม่ตอบแต่คงเดินเดินหยุดหยุดแล้วเหลี้ยวหลังกลับอยู่เช่นนั้นทางด้านหน้าระหว่างพี่ชายสองคนกับเพื่อนสังเกตเห็นอาการของน้องสาวคนเล็กอยู่แล้วต่างรู้สึกไม่สบายใจนะักทั้งเชิดาและชัยยันบุญอะไรพึม ทำท่าจะหยุดรอแต่อนุชาพยักหน้าบอกให้ทั้งสองเดินรุดหน้าตามนานอินไปตามปกติไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองทั้งเนี้ยอดีตพรานชดบอกกับพี่ชายใหญ่แล้วทอดฝีเท้าลงปล่อยให้คนอื่นๆเดินเทียดผ่านหน้าไปตามลำดับโดยตนเองหยุดรอคอยอยู่ทั้งเชษหาและชยยันไม่ทักทวงหรือกล่าวอะไรอีกเพราะรู้ดีว่า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 จนให้หล่อนผู้ล้าหลังเดินมาถึงเดินเข้าใจว่าป่านนี้คงเดินรุดหน้าเร่งรีบกระชั้นชิดไปกนา น, นอินแล้วกว่าจะรู้สึกตัวมองเห็นพี่ชายกลางก็กลาวเข้ามาสกัดหน้าไว้จับต้นแขนหนิ่น้อยอย่ามัวห่วงเจ้าด่วนอยู่เลยไปตามทางของเราดีกว่านะพี่ชายเอ่ยเสียงต่ําๆอย่างรู้เท่าทันในความคิด น้องสาวยิ้มจิตจืดกระดกปลายลิ้นออกมาเกลียริมฝีปากยังมองหลังอยู่เช่นนั้นแล้วก็หยุดยืนเอาดือด้อไม่ยอมเดินถูพี่กลางตอนที่สำรวจพบรอยในทุ่งน้อเหินมันเดินมุ่งเข้าหาเชิงเขาด้านซ้ายมือแต่เวลาเราจะคืบหน้าต่อไปทาไมเราถึงอ้อมเชิงเขาไปทางด้านขวาล่ะคะทำไมไม่เดินไปตามรอยของมัน มันอาจบอกใบชี้ทางให้กับเราก็ได้นะพี่กลางพี่ชายกลางโคง้งศีรษะช้าๆพยายามพูดปลอบโยนนี่น้อยขณะนี้นะเราต้องเชื่อหน้นอินมากกว่าเจ้าด้วนนะน้อยแลวถ้าน้อยแน่ใจว่ารอยช้างที่เดินตัดทุ่งที่น้อยพบเป็นรอยของเจ้าด้วนจริงก็ไม่ได้ห่วงอะไรนี่แล้วถ้ามันคิดที่จะติดตามขาบวนเราไปจริง ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องตามมาหรือมิฉนั้นก็ไปดักหน้าให้เราเห็นในเส้นทางที่เราจะเดินไปไม่ว่าทางไหนทางนั้นเนีะช้างมันไม่หลงป่าหรอกแล้วมันก็เดินเร็วกว่าเรามากนักนี่พี่ขอย้ำอีกครั้งนะไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงเจ้าด้วนของเธอห่วงตัวพวกเรากันเองดีกว่านะเพราะเราเป็นมนุษย์มันเป็นสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่ซะด้วยไงไงมันก็ได้เปรียบกว่าเรา ในทุกกรณีในอาณาจักรพงไพรถ้าทำสีทำเช่นยังกระห่มลูกแห่ที่เดินหลงไปงั้นแหละกล่าวจบคุณชายกลางก็ฉุดแขนน้องสาวให้เดินเคียงคู่ไปด้วยกันทั้งที่ดารินก็ยังก้าวไปยังอิดอิดเอื่อนๆอื่อรีรรอไม่สู้จะเต็มใจนะักพี่กลางน้องชื่อพี่กลางกับลุงอินนะในการเลือกเส้นทางตั้งแต่เราเหยียบย่างเข้าป่าดานี่ แต่ขอให้น้อยรู้เหตุผลสักนิดได้ไหมพราะเส้นทางเดินมันก็มีแยกไปได้ทั้งสองทางจะไปทางด้านขวามืออ่อมตอีนเขาที่เรากําลังเดินอยู่นี่ก็ได้หรือจะแยกไปทางด้านซ้ายมือทิศทางที่เจ้าด้วนมันบ่ายหน้าไปก็ได้แล้วทําไมเราถึงจะต้องไปทางขวาล่ะอา้าก็ต้องขวานี่เป็นหนทางที่ลุงอินก็รู้เส้นทางชํานาญดีกว่าทางซ้ายแล้วก็ลัดทางย่นระยะได้มากกว่า ถ้าไปทางด้านซ้ายซึ่งก็มีทางไปได้เหมือนกันแต่มันก็อ้อมมากเหลือเกินนี่แหละเหตุผลดาริงจำต้องจำนนตต่อเหตุผลของพี่ชายแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีพูดมาเหมือนรำพึงแล้วสมมติว่าเราไม่ได้พบมันอีกอนี่น้อยพี่ขอย้าถามน้อยอีกสักครั้งนะน้อยกำลังตามใคร รับพินหรือเจ้าด้วนอนุชาเน้นเสียงถามจ้องหน้าเฮ้ยพี่กลางไม่มีความเชื่อมั่นนะว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันระหว่างระพินกับด้วนนะ่ะจริงอะเราทุกคนตามระพินแต่สังหรหรือประสาทสัมผัสส่วนที่หกมันบอกกันน้อยว่าเจ้าด้วนนี่แหละมันจะเป็นผู้นาน้อยให้ไปพบกระพิน เฮ้สัตต์ต่อให้มันประเสริฐแสนรู้และมีสัญชาตยานเป็นมิตรสักแค่ไหนมันก็ไม่ได้รอบรู้และก็ฉลาดไปกว่ามนุษย์ได้หร อ, อกประเด็นมันจึงอยู่ที่ว่าน้อยจะเชื่อฝ่ายไหนระหว่างพี่และลุงอินกะเจ้าด้วนซึ่งมันก็ไม่ได้แสดงทีท่ายังไงเลยว่าจะนำทางหรือจะชี้ทางอะไรให้กับเราแน่นอนลงไปม้อก็เพียงแค่เห็นร่องรอยของมัน ว่าได้ล่วงหน้าเข้ามาในเขตป่าดํานี่เท่านั้นและพี่ก็บอกแล้วยังไงอะว่าทำามันยังคิดที่จะเ ป, เป็นเพื่อนไปกับเราทุกระยะโดยไม่แยกตัวไปซะก่อนถึงเราไม่เดินตามมันไปไงไงมันก็ต้องตามมาหาเราลนะนามันจะไม่แยกไปจากเราแน่นอนคะ่ะไม่งั้นมันจะล่วงหน้าเข้ามาในป่าดําเหมือนจะเป็นการนําทางให้กับเราทําไมถ้ามันจะแยกไป มันก็ควรจะแยกไปตั้งกับหูวสื่อรองแล้วล่ละความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างอันไม่สามารถอธิบายได้ทำให้ดารินโต้แยง้งทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพี่ชายกลางไม่อาจจะรับฟังได้นี่น้อยเธอแน่ใจเหรอว้รรอยที่พบในทุ่งไฟลามหรือทุ่งขี้เท่าเน่ะเป็นรอยของไอ้ด้วนแน่นอนไม่ใช่ช้างโทนตัวอื่น แน่ใจสิคะพี่กลางแน่ใจที่สุดอ่ะและมีอะไรที่ทํำไม่แน่ใจไอร้รอยเท้าช้างมันก็เหมือนๆกันทั้งนั้นแหละถ้าขนาดมันเท่ากันมันไม่ใช่เหตุผลในข้อ น, นั้นที่ทําให้น้อยวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าด้วนแต่รอยลากขาข้างหนึ่งของมันขาข้างที่ขนเม่นตั้มเอาไว้ยังไงล่ะคะพี่กลางพี่กลางลืมไปแล้วล่ะ ขาข้างนั้นน่ยเหยียบพื้นไม่ถนัดนักแม้ว่ามันจะค่อ ย, ยังชั่วมากแล้วก็ตามคราวนี้พี่ชายกลางเป็นฝ่ายจำนวนต่อเหตุผลของหล่อนบ้างในด้านที่น้องสาวแน่ใจว่าเป็นรอยของเจ้าช้างป่ากเกเรแต่แปลสภาพมาเป็นมิดกระดารินอย่างประหลาดตัวนั้นและในขณะนั้นเอกระหว่างที่เดินปิดท้ายขบวนไปห่าง สองคนพี่น้องต่างก็มองเห็นขบวนซึ่งห่างออกไปราว30เมตรเบื้องหน้ามีอาการหยุดชะงักมีอาการตื่นและเตรียมพร้อมอย่างเห็นได้ชัดเสียงพูดกันจอกแจกดังแว่แวๆมาดารินกับอนุชามองหน้ากันแล้วเร่งฝีเท้าเกือบจะเป็นวิ่งเหาะๆตามขึ้นไปทันทีแล้วเสียงวิทยุจากหนานอินกลับดังออกมาจากลำโพงของวิทยุทุกคนอันเปิดเตรียมพร้อมไว นำเสียงของแกตื่นเต้นลุกลนและประกาศเรียกไปยังเจ้านายทุกคนโดยไม่จำกัดว่าเป็นพูดกับใครโดยเฉพาะนายไอ้เวนด้วนโผล่มาดักขวางทางอยู่ข้างหน้านนถ่าทางมันพิกลอยู่เกือบจะซัดให้แล้วดีกว่าได้ยินเสียงกระดึงที่ผูกคอไห้นะนายดารินกับอนุชาออกวิ่งในทันทีตัดขบวนลูกหาขึ้นไปโดยเร็วส่วนเบื้องหน้า เทถากช ย, ยันกำลังสาวเท้าชับๆตรงเข้าไปยังครพูพรานผู้เท่าซึ่งบัตรนี้ยืนนิ่งจ้องขมิงไปเบื้องหน้าท่ามกลางป่าหินระเกตระกะพวกลูกหาบนั้นสะดุ้งกันอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงร้องแปรนออกมาแต่เมื่อซักถามกันได้ความว่าช้างใหญ่ที่ปรากฏตัวดักขวางอยู่เบื้องหน้าคือเจ้าด้วน ก็คลายความกระหนกพากันหากของเดินตามลิ้วขึ้นทุกคนของฝ่ายนายจ้างบัดนี้แล่นมาถึงตําแหน่งที่ น, นั้นอินยืนคเม่นมองด้วยอาการพินิษแล้วทั้งหมดมองเห็นเจ้าด้วนยืนตรังงานขวางดักทางอยู่เบื้องหน้ากวัดแกวงชูงวงและโบกหูไปมาอยู่ผึ่บผึบ อ, อาการของมันหมุนหันรีหันขวางแต่ไม่ยอมลีกออกข้างทาง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 ตะโกนเรียกมันอีกครั้งคราวนี้ปลาหินสะเทือนเลื่อนลันด้วยเสียงแผดกล้องของมันจนทำให้ดารินเองก็แทพังาดหลังยืนขมวดคิ้วจ้องใช่ใจเจ้าดูนได้แน่แต่ท่าทางมันพิกลอยู่นะมะขวางดักหน้าท่าทางผิดสังเกตแบบนี้ดูท่าทีมันก่อนน้อยอย่าเพิ่งเข้าไปจริง อย่าทำอะไรมันทั้งสิ้นนะทุกคนประทับปืนคุมเชิงชัยยันพูดเร็วหรือลถไรเฟิลออกจากลายเตรียมพร้อมอย่างไม่ประมาทมันไหวตัวสะบัดหัวอยู่ไปมาแล้วเงงเงยขึ้นเสียงกระดึงที่พอผูกคอไว้เป็นสัญญาณลั่นโกรกเกรกกระทบกักไม้ไผ่ได้ยินอย่างถนัด